วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์ชีเียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอาการจีวรผืนนี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นนิสขีกระผมสละอากาจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต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 นั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอาการลจีวรนเผื่ น, นี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นนสิสส ค, คีกระผมสละอาการลจีวรนเผืนน่นี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนจีวันที่เธอสละให้เรียกกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าจีวันเพื่ น, นี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนสิสสคี สลัดแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรพื้นนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับอาการจีวรพื้นนี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นแน่สขีกระผมสละอาการจีวรพื้นนี้แก่ท่าน ครันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวนันผืนนี้ให้แก่ท่านจีวัที่หวังเกิดขึ้นเนื้อผ้าไม่เหมือนกับจีวัเดิมที่เกิดขึ้นแล้วและวันคืนก็ยังเหลืออยู่เมื่อไม่ต้องการจะทําก็ไม่ต้องทํา